พัทธมเทศนาของหนวงปู่ขาวอนารยวัดถาำกองเพลจังหวัดหนองบัวลำพูรเรื่องเทศโปรดนักศึก พวกท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอย่างอื่นอยู่ในมหาวิทยาลัยนับเป็นผู้มีบุญญาบรารมีได้สั่งสมมาแต่ก่อ น, อนจึงได้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่ดีมีครูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างจํานวนมากได้เล่าเรียนวิชาที่ดีมีประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนอื่นๆ เรียนแล้วก็จะสอนผู้อื่นต่อไปพวกนักศึกษาแพทย์นั้นมีความรับผิดชอบมากกว่าพวกอื่นๆทำงานเกี่ยวกับชีวิตคนทำดีก็ได้บุญทำไม่ดีพลาดพังไปก็เป็นบาปใหญ่ต้องอบรมสติไว้รักษาตัวไม่พังเผอทำอันตรายต่อคนอื่นและต่อตัวเอง จะมีสติได้ต้องมีศีลทุกคนต้องมีศีลจึงจะเป็นคนดีได้คนไม่มีศีลทำอะไรก็ผิดเหมือนเรือไม่มีหางเสือเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีศีลไม่ว่าจะเร่าเรียนอะไรจะมีอาชีพอะไรศีลทำคนให้เป็นคน ทำมนุษย์ให้เป็นเทวดาคนไม่มีศีลก็เหมือนสัตว์ทำอะไรไปตามกิเลสชักนำกิเลสคือโรคโกรธหลงมันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมไม่รู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันมันก็พาไปพบทุกข์ คนไม่รู้ก็คิดว่าเป็นความสุขรูปรสกลิ่นเสียงพอหลงตามไปแล้วทีหลังจึงรู้ว่ามันเป็นสุขปลอมเป็นสุขแต่ข้างนอกข้างในเป็นทุกข์ตอนแรกๆสนุกสนานนานไปได้ทุกข์ยากหนักๆเข้า ตกนรกทั้งเป็นตายแล้วก็ยังตกนรกอีกคนฉลาดต้องรีบเร่งศึกษาธรรมท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาศึกษาทางโลกมากแล้วมาศึกษาธรรมะเสียบ้างเป็นการดีถูกต้องขั้นแรกคือศีลศีลห้า น, นั่นแหละพอแล้ว ถือให้มันดีๆให้มั่นคงให้บริสุทธิ์พอแล้วท่านว่าถือตามฐานะพวกท่านเป็นนักศึกษาสินห้าก็ดีแล้วถ้าใครถึงสินแปดก็ยิ่งดีถ้าทำได้สินเป็นเครื่องระ ง, งับสงบกายวาจากายวาจาสงบจิต ก็สงบเมื่อจิตสงบก็ตั้งมั่นเกิดเป็นสมาธิจิตมีอำนาจมีกำลังเมื่อจิตตั้งมั่นแท้แล้วอยากรู้อะไรก็รู้ได้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเมื่อมีปัญญาแล้วก็ไม่หลงอะไรอีกต่อไปไม่ทำอะไรผิดมีสติรู้เท่าทัน อะไรถูกอะไรผิดเมื่อไม่ทำอะไรผิดความทุกข์ก็ไม่มีมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงความเศร้าโศกเสียใจอะไรก็ไม่มีพอรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเองความพัดภาคจากของรักความไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ความไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นเหล่านี้เป็นของธรรมดาไม่ใช่เรื่องสําหรับเศร้าโศกเสียใจมีปัญญาเห็นจริงอย่างนี้แล้วคิดอะไรก็ดีทําอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีดีทั้งนั้นท่านทั้งหลายควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ไป พร้อมๆกับศึกษาวิชาแล้วการถ่ายหน้าก็จะเจ่นใสเอาเท่านี้แหละนะ